ที่แล้วอ่านพระสูตรหรือ ว, ว่าได้ฟังพระสูตรไปเนี่ยนะมันได้ได้ความลีกซึ่งนะอะ่จะเห็นว่าคำพระศาสดาเนี่ยไปเลาะแล้วก็ละเอียดประณีตวันนี้ก็อาตมามากับอาโสนรงชัยท่านประจำอยู่สวีเดน เยี่ยมประเทศไทยมานะึกอยู่เมืองอะไรนะโคทนเบิร์ก เ, นะเมืองโคทนเบิร์กที่สวีเดนท่านก็ช่วยเผยแผ่พุทธศานะอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ที่บอกว่าท่านก็แนะนำพุทธศานะให้กับปันเตเอกพลเจ้าอาวาสวัดดอลรนาวนารามแล้วท่านก็เปลี่ยนเลยนะท่านกนะ็ปรับมาใช้พุทธศนะ ก็กำลัง ก, กำลังบุกเบิกกันที่สวีเดนกันอยู่ก็ได้ทำให้ญาติโยมได้มีกำลังใจเข้าใจในอีกหลายๆเรื่องนะไม่เจอตอมาหลายครั้งนะสองครั้งละมั้งนะจงังหวะั่นเจ อ, อเจอทาง TV, ทีวีทางเน็ต ไม่ได้มาที่นี่สักสองครั้งแล้วมั้งเนี่ยมีเรื่องใหม่ๆ ม, มาให้ให้โยได้ทราบกันเยอะเหมือนกันก็อนุารรมาก็เลยตามข่าวจากทางสวีเดนนะปันเตเอกพลนะก็เจ้าวาดวัดดลนาวนารามน่าะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนนะท่านก็ อ่อีเมลจดหมายมาให้อัตามาว่าหลังจากที่ท่านได้อ่ฟังจากเอาสวนอลงชัยแล้วเนี่ยท่านทราบซึ้งเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนตัวเองนะแล้วท่านก็จดหมายมาบอกว่าท่านจะต้องกลับในวัดท่านใหม่ทั้งหมดนะท่านก็บอกว่า <c oughs> ผมจะเดินทางกลับไทยวันที่สิบห้าตันวาคมเนี่ยเมื่อสิบห้าที่ผ่านมาเนี่ยนะ เพื่อมาดูแลยมพ่อซึ่งกำลังป่วยหนักตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สีสเกตนะโดยลงเครื่องแล้วจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดสีสเกตนะและคงจะนำพุทธวจนะไปให้ยมพ่อยมแม่ได้รู้จักปฏิบัติก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านนะอันเป็นการตอบแทนคุณท่านให้สมบูรณ์อย่างน้อยให้ท่านได้รู้จักพุทธวจนะของแท้และปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการไปสู่อบาย <c oughs> ตรงนี้ หลายคนที่ทำตรงนี้ได้ประโยชน์มากล่าสุดนี้ก็มาเล่าให้อตมาฟังที่สลาเมื่อวันสองวันนี้เองว่าคุณแม่เขาเป็นไงเนี่ยป่วยแล้วก็ผิวพันณคล้ำเลยมองคล้ำมากอันนี้ก่อนเสียชีวิตนี่ก็ได้เปิดแผ่นอนาปานสติให้ฟังนะอ่า ก็ฟังคำผู้เจ้าไปเลยนะจนทั้งสิ้นชีวิตปรากฏว่าหลังตายแล้วเนี่ยผิวพันธุ์ของศพเนี่ยจะผ่องใสามากนะพี่น้องนี่งงหมดเลยนึกว่าเอ๊ <c oughs> นึกว่าฟื้นขึ้นมาหรือไงแล้วแบบว่าเหมือนคนไม่ป่วยนะหน้าตาผ่องใสซึ่งอาการศพแบบนี้จะเป็นเหมือนกันสำหรับผู้ที่ฟังพุทธพจน์ก่อนสิ้นชีวิต ซึ่งน่าจะมีประมาณสิบกว่าคนละที่มาเล่าให้ตามาฟังโดยใช้พระสูตรเนี่ยของผู้เจ้าที่บอกกับพระอ น, นุนว่ากรณีของพระผัดกุณาเนี่ยผู้เจ้าไปเทศได้ฟังก่อนสิ้นชีวิตแล้วก็ <c oughs> พระองค์ก็กลับไปพระอ น, นุนก็บอกว่าหลังจากผู้เจ้ากลับไปได้ไม่นานเนี่ยนะพระผัดกุณะก็ทำกาละหลงแต่ชีวิตวันผ่องใส ย, ยิ่งนักไม่รู้เกิดอะไรขึน้น พระาก็บอกว่าไม่ผ่องใสได้อย่างไรเนี่ยก่อนฟังคำตถาคตเนี่ยยังละสังโยชน่าไม่ได้แต่หลังจากฟังแล้วเนี่ยละสังโยชน่าได้พระองค์ก็เลยตัดกับป้านนท์บอกว่าอนิสงส์ของการได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยถ้าใครยังละสังโยชน่าไม่ได้จะละได้ถ้าละได้แล้วจะได้เป็นพระหลานละสังโยชน่าห้าได้ก็คืออนาคามีบุคคล ทุกคนที่ใช้หลักการตรงนี้จะได้อาการอย่างเดียวกันคือผู้ใกล้ตายจะสงบมากนะและหลังจากตายแล้วเนี่ยผิวพัธุ์จะผ่องใสามากน ะ, ะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอีกกันหนึ่งนะก็เลยท่านก็ต้องการเอาพุทธวจนะเนี่ยไปให้ยมพ่อยมแม่ท่านได้ดนทราบนะ <c oughs> แล้วท่านก็น เ, ขเขียนมาว่าถึงอย่างไรในครั้งนี้ก็ตั้งใจจะไปอ่านะ เโอการไปหาท่าอาจารย์ที่วัดนาป่าพงเพื่อพบทาอาจารย์สักครั้งนะก็อยากจะไปเริ่มร่วมเปิดงานห น, ะนังสือพบพุธนฉบับพบ ป, ปูมเนี่ยนะะท่านก็ได้มานะนะ <c oughs> ท่านก็บอกว่าท่านได้โหลดหนังสือจากทางเว็บเนี่ยทำเป็นหนังสือสวดมนต์เอาไว้เป็นสาธยายประจำวัด ทนหนังสือสวดมนมต์ทำวัดแบบเดิมที่เคยทําท่านวงเล็บว่าซึ่งต่อไปท่านจะละของเก่าทิ้งทั้งหมดนะต่อไปนี้จะให้พระและญาติโยมสวดแต่หนังสือสาธยายทำนะก็คือคือเล่มนี้ที่ให้ส่งให้ท่านไปนะแทนการสวดมนมต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดมนต์อื่นๆที่เคยทํา แต่ที่จะขอมาแจกสมาชิกในช่วงนี้คงจะยังต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์เพื่อมากระจายแจกแก่สมาชิกในยุโรปซึ่งถ้าเอามารวมไว้ที่นี่วัดดลลารนาแล้วค่อยกระจายแจกแก่สมาชิกต่างๆในยุโรปที่เขาต้องการร้องขอมาอาจประหยัดค่าใช้ใจ่ายกว่าที่จะส่งจากเมืองไทยโดยตรงนะซึ่งตอนนี้ประเทศอังกฤษก็ขอหนังสือผมมารอความหวังจะผมอยู่ต่อไปข้างหน้าถ้าเป็นไปได้ผมจะให้ ที่ลงพิมพ์ที่สวีเดนนะ <c oughs> ต้งบอกว่าขอเล่ากิจกรรมที่ได้ทำเมื่อวันเสาร์ที่แปธันวาที่ผ่านมาได้รับกิจนิมนต์ไปที่กรุงสต็อกโฮล์มเพื่อทำบุญตักบาตรตามที่เคยทำ <c oughs> แต่ผมก็ได้ลงทุนเอาโน้ตบุ๊กและโปรเจคเตอร์ไปด้วยในงานนี้มีคนไม่มากมีฝรั่งมาร่วมด้วยการทำพิธีได้เปลี่ยนไปโดยไม่มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์แต่ใช้การสาธยายทาแทน อนมโมธนาด้วยบทอายุโธบทเดียวไม่มีการกรวดน้ำแต่ให้นั่งเจริญอาณาปานสติลานิวรนห้าแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลแทน <c oughs> และได้แสดงธรรมแนะนำพุทธวจนะให้เขาเข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการเรียนรู้ปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้เปิดให้ชมการถ่ายทอดสดขณะที่มีการถ่ายทอดสดจากเมืองไทย แต่นิดมีปัญหาติดขัดอยู่ระยะหนึ่งจึงได้นำเจริญอาณาปาณสติโดยเปิดคลิปวิดีโอที่อวุโสมากได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งได้ฟังและทำตามซึ่งได้รับความสนใจและตั้งใจปฏิบัติมากและขอกระทำถึงสองรอบและบอกว่าจะหาโอกาสตามไปปฏิบัติที่วัดความรู้สึกยอดยยมก็ให้ความสนใจแต่ยังง ง, ง, ง, งและยังติดประเพณีเดิมโดยเฉพาะอยากให้ทาน้ำมน ทำพิธีกรดน้ำแจกของดีเหมือนที่เคยทำทำมาแต่ผมก็ไม่ได้ทำตามนั้นเรียกได้ว่าปฏิวัติใหม่เลยทีเดียวเพราะผมคงลำบากใจที่จะทำอะไรที่พระศาสดาไม่ได้อนุญาตไว้และคงจะกลับไปทำผิดตามเดิมไม่ได้อีกแล้วคงต้องล้าสิ่งเก่าเริ่มการปฏิบัติต่างๆใหม่หมดอะไรที่ไม่ถูกต้องคงต้องล้าเลิกและนาพาญาโยมไปในทางที่ถูกต้องเพื่อกันไม่ให้ไปสู่อวบาย หากจะมีผู้ไม่เข้าใจไม่ยอมรับไม่พอใจหรืออันตี้ไม่ทำบุญด้วยผมก็คงต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่จะไม่หวั่นไหวเกรงใจแล้วกลับไปทำผิดแบบเดิมได้อีกงานหนักต่อไปนี้คือการชี้แจงอธิบายวิธีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธวจนะนี่ท่านก็ชุดหมายมาอ่านแล้วก็รับสิ่งใจแทนท่านด้วยไง นั้นมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนซึ่งก็ไม่ง่ายเห็นไหมโย่พระแต่ละรูปจะเปลี่ยนเนี่ยต้องวัดใจกันหน้าดูนะญาติโยมจะมาทำบุญวัดฉันหรือเปล่านันเนี่ยนะไปทำขัดกับเขาอย่างนี้นะต้องต้องทาใจอยู่ท่านก็บอกว่าในฐานะที่ท่านเป็นพระธรรมทูตเนี่ยคือผู้เผยแผ่คำสอนของพระศาสดาหากนำประชาชนไปนในทางที่ผิด ก็เท่ากับทำลายพระศาสนาของพระบรมศาสดาเสียเองในด้านการปฏิบัติเนื่องจากเคยเรียนปริยัติพอมีความรู้มาบ้างท่านจบปท .4 ีนะท่านวงเล็บว่าจบปท .4 ีก็พอเข้าใจในหลักศัพท์นะคำเรียกต่างๆเคยปฏิบัติแนวอื่นมาบ้างแต่สเปสปะแต่พอมาได้ศึกษาพุทธศานาเนี่ยการละนันีิละอารมณ์นั้นเกิดจากกน5ทําทได้เร็วรู้สึกว่าปัจจุบันเหมือนเราเป็นไทยแก่ตัวเอง แต่ก็ต้องศึกษาปฏิบัติต่ตอไปให้ชำนาญเพื่อยกระดับให้สูงเลศยิ่งขึ้นต่อไปอีกหากติดต้องประการใดโอกาสหน้าจะตามท่นานพระอาจารย์อีกเรื่อยๆหนึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์และหวังจะได้พบที่เมืองไทยและขอปรนนาร่วมปฏิบัติและเผยแผ่พุทธวนะิชชาเท่ากําลังสติปัญญาความสามารถที่จะทําได้ตราบชีวิตจาาไม่ด้วยความนับถือยิ่งพระครูประหลัดเอกพลประัดปัญโยนี่ก็เลย อ่านจดหมายที่ท่านส่งมาให้ธรรมาให้ฟังนันก็มีความกล้าดีนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระที่ต้องการจะเปลี่ยนแต่ยังไม่กล้าเปลี่ยนก็ได้ดูตัวอย่างนะมาท่านก็ได้นำไปญ า, นะาติโยมไปในทางที่ถูกต้องนะท่านก็บอกญาติโยมเนี่ยธรรมารจะนําไปในทางที่ถูกเนี่ยไปกันไหมมาบอกไปไปไ ป, ไปกันก็ดีนะ นี่ก็เป็นศาสาธรรมิกนะที่สนิทของท่านรูปหนึ่งนะเาสรงชัยส่วนรงชัยก็ปีนี้ก็จะยี่สิพรรษาลวท่านปันเตอเอกพลก็พรรษามากกวารมาน่าจะยนะิบสามยิบสองยี่ยิบสามหรือยิบสี่ธรรมาจําไม่ได้แน่นะพรรษาก็เบิดกันมาพอสมควรยี่สิาปีป ร, รยนญารมอะไรก็รู้กันอยู่นะก็ ค่้ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเร่าเรื่องใหม่อีกอันหนึ่งเข้าเข้าเน็ตได้ไหเออันนี้ที่ภาพที่วัดท่านใช่ไหมอเอาส่มาก็ให้ดูภาพที่วัดท่านเนี่นี่ก็อ่ปันเตเอกพลเอาส่วนรลลุงชยนะัยอันนี้ที่วัดดอลน่านาก็พาญาติโยมนั่งสมาธิปฏิบัติตามอยู่ก็มีฝรั่งมาปฏิบัติกับท่าน มากพอสมควรท่านเห็นว่าคนสวีเดนชอบศาสนาพุทธมากนะอยากมาปฏิบัต <c oughs> ิในนี้เข้าเน็ตลงบุต้าเน็ตได้ไ้ยไม่ได้ใช่ไหมย่านลงังละเป็นรูปใบถ้าถ้าเข้าได้จะมีตลางที่นี้เข้าละอ๋อ ก็ดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันว่าถ้าเข้าไปที่เพ็บัตนาป่าพง์ตอนนี้ก็เข้าไปที่พุทธวจนะเน็ตเวิร์กได้เราให้คนยมสุทธีนะสุดประเสริฐทิโก้ของเราเนี่ยเขียนโปรแกรมเพื่อให้ผู้ที่ ศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวิชชะและก็ต้องการเผยแพร่พุทธวิชชเนี่ยลงพิกัดตัวเองไปในแผ่นที่ของ Google นะแล้วก <c oughs> ็เข้ามาในนี้เราจะเห็นว่านี่คือผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติตามและเผยแพร่พุทธวิชชะในประเทศไทยนะทั่วประเทศนี่นะตอนนี้ทั้งหมดล่าสุดประมาณ900กว่าตำแหน่งนะใน27ประเทศทั่วโลกนะอันนี้ก็ประเทศไทยลองดูประเทศอื่นบะ้างนะ อันนี้ก็ส่วนของประเทศไทยในภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะเราจ ะ, ะภาคใต้นะแล้วก็อันนี้ก็ไปทางญี่ปุ่นนะีน่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วนี้ก็ทางยุโรปนะก็ไปทางอเมริกานะนนแคนาดาก็มีนะนก็จะเห็นถึงอ่า การกระจายตัวของผู้ที่เริ่มเข้าใจในคําสอนพระศ า, ศาสดาแล้วพวกนี้ก็เริ่มมีศรัทธาที่จะประกาศคําสอนอสถานที่เราจะแบ่งเป็นพุทธบริษัท4ี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีก็จะเป็นพิกัดสีสีสีจีรอย่างเนี้ยสีน้ําตาลนะอย่างนี้ ถ้าเป็นองค์กรของพิสูจน์ก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะถ้าเป็น อ, อ, อุบาสกบาสิกาก็จะเป็นสีขาวถ้าเป็นองค์กรของอุบาสกบาสิกาเช่นบริษัทห้ทางร้านต่างๆมหาวิทยาลัยอะไ ร, ะไรก็จะเป็นสีเทาอย่างนี้นะเราก็จะให้ให้ลงพิกัดของตัวเองเวลาลงพิกัดก็กรอกข้อมูลของตัวเองลงไปแล้วก็ไปเลื่อนในแผนที่ Google ด้วย ให้ตรงกับหลังคาบ้านของเราแล้วก็ปักหมุดลงไปนะค่อยๆข ย, ยายไปเรื่อยๆนะหรือว่าถ้าหาไม่ค่อยเจอก็คีย์จังหวัดเข้าไปก็ได้นะแล้วสแกนมันจะได้ล็อกจังหวัดให้แล้วก็ล็อกอำเภอให้นะแล้วก็กดบันทึกนะหมุดของเราก็จะลงอยู่ในนี้หลังจากบอกไปเมื่อต้นปีใหม่ก็มี ยาติโยมเนี่ยทยอยลงมาวันละร้อยกว่าคนนะลงมาเลยก็ปุ้บจนหมุดมันแน่นเต็มอย่างนี้ น, นั้นแ้่ใครต้องการที่จะลงพิกัดนะเพราะว่าเราศรัทธาพุทวชนะและเผยแพร่ประกาศคำของตถาคตด้วยนะเราก็ลงได้นะและข้างในก็จ ะ, ะถ้าเราเข้าไปก็จะสามารถกดให้ดู ประวัติของแต่ละคนที่ที่แต่ละคนต้องการให้ดูนะว่าชื่อที่อยู่อีเมลของใครใครชํานาญทางด้านใดน ะ, ะเป็นหมอเป็นทนายเป็นนักศิลปะวาดลูกอะไรต่ออะไระแล้วเราก็จะได้เปื่อไปประเทศนั้นประเทศนี้เราก็จะได้ไปติดต่อกับเขาได้ถ้าไปที่สวีเดนก็ไปพักที่วัดกันได้น ะ, ะมีที่พัก100ร้อยกว่าทีนะ่อาหารพร้อม นะเราก็จะได้รู้จักกันในเครือข่ายของพุทธศาสนะทั่วโลกนะอ<มา>ันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่เคยได้มาบอกที่นี่ก็เลยบอกให้ทราบท้าจะเข้าไปในเว็บก็เวอรเว็บบ u d รด้านะ B U D D H A แล้วก็ คีดตรงกลางแล้วก็ n e t net com นะก็สามารถเข้าเว็บนี้ได้นะเป็นเน็ตเวิร์ของพระพุทธเจ้านะก็ทำมาเพื่อให้เกิดกำลังใจของผู้ที่ของผู้ที่ต้องการจะศึกษาและปฏิบัติถ้าเราอยู่ใกล้ประเทศไหนจังหวัดไหนแล้วก็เข้าไปขอหนังสือซีดีหรือว่า พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้อลองไปดู้มีของบ้านแพ้ั้มมีตัวอย่างภาพของบ้านแพ้เนี่ยแล้วก็เป็นนั ก, นกเลงสุลาตัวยงคนหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเองหลังจากฟังพุทธศสนะแล้วก็นะปรับเปลี่ยนตัวเองมา ศึกษาปฏิบัติตามพุทธวจนะแล้วทีนี้ก็เลยพยายามที่จะเผยแผ่พุทธวจนะเขาก็มีร้านค้าของเขาในร้านค้าของเขาเนี่ยเขาก็ให้พนักงานเขาทุกคนใส่เอียมแล้วเขาก็พิมพ์พุทธวจนะข้างหน้า <laughs> นะอ่ ด, ดูน่าจะหมายเลขแปช่องที่แปดหรือไง อนนี่ประวัติต่างๆที่ที่ลงไว้อันนี้ลองไล่ดูตั้งแต่แรกเลยนี่แต่ละคนก็สมาชิกแต่ละคนก็จะลงภาพเข้าไปได้เห็นนะนี่ร้านร้านของเข า, าลองดูพนักงานเขาก็ใส่เอียมแล้วก็ข้างในนีสกรีนพุทธวจนะนะนแล้วเาก็แจกหนังสือซีดีทำแจกตลอด น, นี่แจกตั้งพระตั้งคาราวาสนะ ให้ผ่านไปมาแจกหมดนะอ่านะนะนะเนี่ยพนักงานก็ทุกคนใส่นะเนี่ยเขาทำาถุงพลาสติกกันนะตราพุทธเจนะนะบัวสามเหล่านะฮนะนะบั้นแพ้วถุงพลาสติก นะพุทธจนาสถาบันนะแล้วก็ใส right. ่พระสูตรก็ไปด้วยนะปากทางแห่งความเจริญสีระกันนะไม่เป็นนักเลงยิงนักเลงสุลานักเลงการพนันนะมิสหายดีตัวเองทำมาแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยมาสอนคนนะตอนนี้อืมเนี่ยเ ลองไปดูบ้านที่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งอีกคนหนึ่งคนนี้นี่ใส่พสูตรนะแทนวอลเปเปอร์ในบ้านเลยนะกําแพงบ้านนี่ติดพสูตรตลอดนะโอ้โหนี่เข้มมากนะอ่านี่บ้านเัานะตั้งแต่หน้าบ้านเข้าไปเลยนี่นะกระจกติดพุดทธศาสนะนะ ลองไปดูนี่ผนังบ้านนะด้านนอกติดพระสูตรนะวิธีดับกรรมทำยังไงสัตตานังคืออะไรนะนี่ผนังบ้านนะเขียนพระสูตรหมดเลยน ะ, นะหน้าบ้านก็ติดพุทธศสนาเสาบ้านนะผนังบ้านโอโหเนีเ่ยฮาร์ดคอร์จริงๆนะ <c oughs> เข้มค้นมากนะกะว่าเอาตามสูตรพู้เจ้าเลยนะฟังทำเนืองๆให้คล่องปากขึ้นใจเลยกะว่างานเนี้ยได้เป็นเทวดาแน่นอนได้บรรลุธรรมในพบเทวดาขาวหน้านะเราเข้าไปดูเยี่ยมชมหมุดต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นอะไรๆก็ดีสนุกดีเป็นกำลังใจให้หมู่คณะ มีพระที่เชียงรายใช่ไหมัองดูพระที่เชียงรายรู้สึกก็จะกลน่นสถาบันนะเราจะ ส, สกรีนได้นะว่าประเทศไทยแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็แล้วก็ลกงไล่ไปที่เชียงรายก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็ นี่เรามั่งเนี่ยนี่พุทธวัฒนสถาบันศูนย์เชียงรายท่านมาอยู่ที่วัดสักสามสีอาทิตย์มั่งแล้วก็รับข้อมูลต่างๆไปแล้วก็บุกเบิกเองเลยนะญาติโยมช่วยกันทำขึ้นป้องขึ้นปนะ้ายนะช่วยกันอันนี้ทำด้วยความสมัครใจด้วยตนเองนะรักในพู้เจ้ารักในคำสอนต้องการประกาศคำสอนที่ถูกต้อง อยู่มันคนเดียวนะ่ะสู้ไปเนะอะมก็จะมีองค์กรของพระหลายที่เหมือนกันนะที่ท่านก็บุกเบิกอย่างเนี้ยม า, าแวะเวียนมาที่วัาจะมาหลายแห่งอยู่ในกลุ่มของพระเราดูซิมีประมาณไหนแล้วไม่รู้ตัวประเทศก็ยังไม่มากนะักแต่ก็กำลังขยายตัวไปเรื่อย อันนี้จะเป็นกลุ่มของพระทั่วประเทศเราก็จะหมุดก็จะโชว์ออกมาได้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างในประเทศไทยนะที่กำลังค่อยๆศึกษาและปฏิบัติตามอยู่แล้วก็เผยแพร่คำของตตาคตนะก็คงกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี้อาจารย์สุจินก็พาพระเดินข้ามจังหวัดไปหลายที่นะมีภาพท่านส่งมามนะลองดู ท่านส่งมาแล้วก็มาก่อหนังสือตธมาไปอยู่อ่านี่คือกลุ่มภาที่ท่านพาเงินอยู่แล้วก็ได้รับหนังสือโสตพัน์กับภพบภูมิไปนะให้ท่านได้ศึกษาช่วยกันศึกษาแล้วก็ประกาศพุทธชสนะอาจารย์สุจินก็ <c oughs> ไปเป็นมาๆก็เป็นสาธรรมิกกัเขาโสนณรงชัยเหมือนกันนะการรื้จักกันหมดนะก็ ช่วยกันเผยแพร่ตรงนี้กับหมู่พระท่านก็นเลยไม่ค่อยได้มาพบปะกับญาติโยมแต่ยึกลุบอยู่กับพระพาเดินเข้าป่งเข้าป่าอะไรกันไปนะดึงพระให้เข้าใจพุทธศาสนาแล้วก็มาที่วัดอาตมาเอาหนังสือซีดีไปแจกให้กลุ่มพระนะอย่างนี้ก็คิดว่าอีกหน่อยคงจะมากขึ้นนะกระจายตัวค่อนข้างรวดเร็วตอนนี้พ ร, พระเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วก็ เริ่มหันกลับมาศึกษาคำของศาสดาตัวเองนะและที่สําคัญคือมีตําราไว้ศึกษาแนละแต่ก่อนไม่มีตําราไงอนะันจะมาถึงวางแผนแนะล้วตำราต้องเยอะนะตาราต้องเยอะเอาไว้ปูพรมไปเลยนะพอทุกคนเนี่ยมีตําราที่จะอ่านเนะี่ยเวลาว่างๆอยู่เองก็ได้ได้อ่านได้ศึกษาไปเรื่อยๆก็สบายแล้วนะนะพึ่งตนพึ่งทําได้ไม่ต้องวิ่งมาถามเราคนเดียวนะศึกษาเองได้เรื่องนี้ <c oughs> นะก็อัปเดตข่าวความคลิปหน้าให้ทราบก่อนวันนี้อรตมาก็าไปเยี่ยมยมแม่อรตมานะแล้วก็เอาไอแพดไปให้ท่านได้ดูถ่ายทอดสดวันนี้นะอ่า วท่านฟึ่งล้มป่วยเมื่อสักอาทิตย์สองาทิตย์ที่ผ่านมานะก็เป็นก้อนเนื้อในสมองขนาดน่าจะเกือบเท่ากำปั้นนะั่นะ น, นะเจ็ดเซนนะก็เลยเป็นอมาาัมพาตครึ่งซีอยู่ตอนนี้ขยับได้แต่แขนซ้ายนี่ก็บอกยมแมยย่ยังภานายังภานาอยู่รู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจอยู่น ะ, ะก็บอกเข้าสมาธิได้บ้างไมมบอกได้อยู่ ก็ดีหมดดวงแล้วสบายแล้วนะก็ทำไปเรื่อยๆนะก็ <c oughs> เลยหาเตียงพยาบาลไปอะไรต่ออะไรให้พอดีโยมพี่สาวเป็นพยาบาลก็เกษียณมาละเออเรี่ออกมาก็พอดีเลยได้มาพยาบาลโยมแม่พอดีนะแล้วก็แวะเวียนให้พระไปนั่งงานพระสูตรให้โยมแม่ทุกวันนะ แล้วก็จัดหาซีดีอะไรต่อะไรเนี่ยพุทธวจนะเปิดให้อดุยแม่ฟังตลอดนะอืมก็ไอ้ก็คุยกันนะออดยแม่เป็นไงพระสูตรเรื่องน้องหญิงจำได้ไหมแม่จำได้ <c oughs> นอนปิ้งเกลือกมูดคู่แล้วตอนนี้นะผ่านไว้อันแข็งแกร่งมานะก็จำพระสูตรพูเจ้าได้ น, ะ, นะอืมก็ กำลังใจดีบอกจะไปพ่าตัดไหมบอกไม่เอาไม่ไปก็อยู่บ้านดีกว่านะก็ไปแบบธรรมชาตินะอืมตอนนี้ก็ก็ป้อนท <c oughs> ำข้าวน้ำแล้วก็พวกอาหารก็บดเหลวหมดอย่างเนี้ยก็ให้ไม่อยากให้ทางสายยางอ่ะเจ็บทรมานก็ป้อนเนี้ยพอกลิ่นได้ก็กลิน่น ก็ใช้มสมุนไพรบ้างอะไรบ้างที่เขาเคยทนานก็คอยเช็คความดันเช็คะไรอยู่ก็อยู่ในระดับที่พอพอดีพอดีพอได้นะตอนนี้ก็พอดีขึ้นแต่พูดยังไม่ค่อยได้ยังไม่เป็นคำแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะพูดนะแต่ก็พยักหน้าได้ยิ้มได้นะก็ดี ยังพอประคองตัวไปได้ก็หลายๆคนก็คงเห็นความเป็นอนิจจ์นะบอกอ้าเพิ่งคุยกันยมแม่แปบ๊บแป๊บหนึ่งไปซะแล้วนะอืมล้มป่วยแต่ละก็ <c oughs> นี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตนะก็ทุกคนก็ต้องประสบพบเจอทั้งนั้นหนึ่งก็ต้องพยายามที่จะ ปฏิบัตินะทำสมาธิภาวนากันให้ดีอย่างน้อยเนี่ยให้ได้เป็นผู้สะดับในคำของตถาคตอย่างพวกเราก็คงจะโชคดีนะนะได้ฟังพุทธวจนะอย่างน้อยก็คือเป็นผู้ได้สะดับปุถุชนผู้ได้สะดับกับไม่ได้สะดับเนี่ยต่างกันเยอะนะผู้เจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สะดับในคำตถาคตเลยเนี่ยถึงแม้จะทำสมาธิได้ ชั้น 1>, 1, 2, 3, 4ถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนเมื่อตายแล้วสิ้นกรรมสิ้นลิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่สังสารวัฏอีกเหมือนเดิมไปสู่นรกกั น, นเดยเียวชั้นเปรตวิสัยนะยังไม่หลุดพ้นแต่ถ้าใครได้เคยสดับในคำของตถาคตนะแล้วทาสมาธิได้พวกนี้จะไปเกิดเป็น เทวดาสีชั้นเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคื อ, อพรมกษิการนางเทวานังนะพัสระสุภกินนาเวหะพละนะในเทวดาสีชั้นนี้เขาจะได้เป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลและจะปรินิพานในภพนั้น น, นี่คือความต่างเห็นไหมนี่แค่ได้สดับในคําของตาตาคตนะมันจะมีการพัฒนาตัวเองถ้าคนคนนั้นทําสมาธิได้ แต่จะไปพัฒนาตอนช่วงระหว่างตายเนี่ยแล้วขยับขึ้นไปเพราะเวลาผู้เจ้าตัดเนี่ยขณะก่อนตายยังตัดว่าคาว่าสาวกเฉยๆแต่พอเวลาบอกไปเป็นเทวดาปุ๊บจะใช้คําว่าอริยาสาวกมีการพัฒนาในช่วงนี้ซึ่งจะสอดรับกับที่ผู้เจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยจะบรรลุธรรมเนี่ยใกล้สิ้นอายุไ ข, ขยัยะก่อนสิ้นอายุไ ข, ขทีหนึ่งแล้วอีกทีหนึ่งเนี่ยจะมีช่วง ระวหว่างการตายและการบรรลุธรรมเนี่ยเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันดัง น, นั้นก็จะเห็นบทพระชนะที่ละเอียดของพระองค์เนี่ยว่าขณะที่คนนี้ตายเนี่ยผู้เจ้าจะใช้คําว่าแค่สาวกผู้ได้สดับแต่พอขยับขึ้นไปเกิดในชั้นเทวดาปุ๊บผู้เจ้าจะใช้คําว่าเทวดานั้นที่เป็นอริยาสาวกขยับฐานะและแล้วก็จะปริิญญาในภพนี้เนี่ยดังนั้นคำํำผู้เจ้าทุกคํำเลยต้องเก็บ ละเอียดมากมีเงื่อนงาในในคำของท่านอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นเป็นความซับซ้อนอย่างมีระบบนะหรือพู้เจ้าจะเรียกว่าเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นจันโลกุตละแล้วก็นะเบสเซลเลอร์ของ c ีอนะภภูมิตอนนี้ยังครองตำแหน่งที่หนึ่งอยู่นะก็ลองไปหาอ่านดูนะพุทธวนะนะภุภูมิ เราจะได้ทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิเปลืวิสัยเป็นยังไงสันนลบเป็นยังไงทํากรรมอะไรได้ไปนรกทกํากรรมอะไรได้ไปเปลืวิสัยทํากรรมอะไรได้ไปเดราชาณทํากรรมอะไรได้มามนุษย์นะทวดาสร้างกรรมอะไรนะสร้างเหตุปัจจัยอะไรจริงจะได้สมความปรารถนาปรารถนาอะไรแล้วจะได้สิ่งนั้นผู้จ้างบอกให้ทํา5อย่าง 1. ให้มีศรัทธาสอให้มีศีล สามให้มีสุตตะคือได้ยินได้ฟังกรรมตถาคตสังสมสุตตะมีจาระมีปัญญาห้าอย่างเนี้ยใครทำเนี่ยสมปรารถนาทุกเรื่องตั้งจิตปรารถนาอะไรจะได้อย่างนั้นนะการจะไปสู่ภพใดนะสร้างกรรมแบบนี้แบบนี้นะอ่า <c oughs> ตั้งจิตนะอธิษฐานจิตจเจริญจิตนั้นเนี่ยแล้วก็ไปสู่ภพนั้นได้นะ ก็คิดว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าเออโศโตโตจะเคยมาบอกแล้วเนาะเราก็คงจะ้าใจก็ท่านก็เป็ น, นหัวหน้าทีมทำหนังสืออยู่ที่วัดอยู่นั้นอันนี้ท่านก็พยายามตรวจคนมาดึงมาเฉพาะคาของพระศาสดาล้วนๆเราก็จะได้ทราบสัจจะความจริงว่าพบภูมิต่างๆ ที่ออกจากปากพระศาสดา น, นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะในเล่มหน้านะต่อไปก็ก็มีที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องทานแง่มุมของการให้ทานเป็นอย่างไรนะสามสิบสี่สิบพระสูตรกนะารให้ทานเลือกต้องเลือกไหมควรเลือกไม่เลือกนะ ผู้รับดีไม่ดีมีผลอย่างไรนะให้ทานกับพระไม่ดีมีผลหรือไม่นะผลกระทบกับศาสนาเป็นอย่างไรเราได้ไดนิสงฆ์มากหรือน้อยนะเกี่ยวข้องแล้วเป็นยังไงนะผู้เจ้าจะบอกไปหมดนะการเกี่ยวข้องก็จะเปรียบเหมือนภาพเปล่อกปอนะที่ใครไ ข, ไข่ใกล้ชิดเขาก็เจ็บเนื้อนะอาราคาก็ถูกสีก็ไม่งามอย่างนี้ ชนเหล่าใดนะถวายชีวอนบินตาบ่าเสนาสนะเภสัต์เนี่ยก็จะเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงมากนะก็จะได้ทราบเพตุปัจจัยต่างๆนะการทำทานควรจะวางจิตอย่างไรนะถ้าเรามีจิตปลูกพันในทาน <c oughs> หวังผลในทานมุ่งการสังสมคิดว่าเราตายไปจากได้ส่วยผลของทานนี้ก็จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงใหญ่ นะจะได้ผลใหญ่คือได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นต่ำเลยนะาตุมหาราชิกานะเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้มาสู่สังสารวัตให้ทานวางจิตยังไงไม่หวังผลไม่ปลูกพันไม่มุ่งการสั่งสมแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะอีกพวกนึงก็คิดว่าทตาม มันพบลุตปู่ย่าตายายเคยทํามาก็ขยับขึ้นมาอีกอีกพวกก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินเนี่ยการไม่ให้ไม่ดีให้ดีกว่าพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกนะอีกพวกวางจิตว่าเออรู้สึกก็ทําทให้เราเลื่อมใส่ทาให้จิตเรื่อมใส่เกิดปิติเกิดความสุขอย่างนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกจนทั้งให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะท่นี้ปรุงแต่งอย่างไรก็ต้องไปดู การให้ทานแบบโสดาบันเพราะโซดาบันเนี่ยจะให้ทานอย่างไรก็คือละความตณีในใจนะดังนั้นเวลาให้ทานอย่าผูกพันอย่ามุ่งการสังสมอย่าหวังผลในทานนะแต่ให้วางจิตละความตณีการให้ทานนั้นจะบังเกิดผลทําให้เราเข้าก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล อย่างคุณธรรมของพระโสดาบันที่ตัดไปกับช่างไมนะ้เป็นผู้มีใจที่ปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาระคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลนนะบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือโสดาบันนะ น, นมีทานการให้ลักษณะอย่างนี้กับมั่นคงในพระรัตนตรยัยคือโสดาบันบุคคลให้พยากรตนเองได้ <c oughs> นี่เราจะได้ทราบแม่มุมต่างๆที่เป็นสัจจะออกจากพระโอษของพระองค์เราจะได้วางจิตอย่างถูกต้องนะทำให้การสร้างเหตุนั้นๆเนี่ยเกิดอ น, นิสงส์สูงสุดมีทั้งผลใหญ่และมีอ น, นิสงส์ใหญ่นะดังนั้นคนที่วางจิตอย่างนี้จะไปเกิดเป็นอะไรพูะพุทธเจ้าก็บอกว่าจะไปเกิดในชั้นพรหมกา ย, ยิกา ได้เป็นพรหมกายิกานางเทวานังและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะจะได้เทวดาเหล่าพรหมกายิกาหมดความเป็นใหญ่สิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศไม่เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องกลับมาก็จะเข้าสู่ความเป็นอริยบคคล นี่ไงมุมกันให้ทานให้อย่างนี้น ะ, ะก็สรุปภาพให้ฟังนะคร่าวๆมีใครสงสัยจะซักถามอะไรไหมเชิญได้นะเออ <c oughs> <c oughs> เชิญเนี <c> ่ย <oughs> มีใหม่ไหมเออเดี๋ยวส่งใหม่ไปให้ก็ได้นะ หนังสือในในในภพภูมเนี่ยหละครับเท่าที่อ่านรู้สึกจะมีเรื่องของพบโลกเท่านั้นเองใจมาทักทิมที่มันจะล่มสลายไปแล้วรู้สึกจะพบเทวดาพบนรกนี่จะไม่พบปับ้มจะมีการล่มสลายอฮะอันนั้นตรงไหมครับอการที่พระเจ้าไม่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่พระเจ้าจะพูดอแค่นี้เมื่อพูดแค่นี้ก็คือเราจะทราบแค่นี้นะ แต่ลึกกว่านั้นเราจะไปฟันธงได้ไหมว่าไม่มีการล่มสลายนะก็ยังฟันธงไม่ได้นะเพราะว่าความรู้ของพูะเจ้าเนี่ยกว้างขวางมากแต่พระองค์จะพูดเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์เท่านั้นดังนั้นเรื่องใดที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าเกินกรอบที่ควรจะรู้เนี่ยพระเจ้าจะหยุดพูดเอาไวนะ้เพราะเราอาจจะจินตนาการเกินเยอะเกินไปแต่ถ้าพูดประโยชน์ของพระเจ้าเนี่ย แต่เพื่อเฉพาะมนุษย์และเทวดาดังนั้นก็จะเน้นกล่าวเรื่องของพกมนุษย์ไว้ว่ามันมีการเสื่อมสลายแล้วมันจะปูพันกับเทวดาคือเทวดาอจะไปเกิดในส่วนของเทวดาจากนั้นพอกลับมาเจริญเทวดากลับมาเกิดในมนุษย์อะไรอย่างนี้นะจะเกิดประโยชน์ในนี้ให้เห็นการเวียนเกิดเวียนตายพวกที่มีอายุยืนยาวจะได้รู้ว่า้ทุกอย่างมีการร่มสลายหมดนะอืมเพราะเทวดาบางพวกเนี่ย อายุยืนยาวมาคิดว่าตัวเองอยู่ถาวรเนนะี่ยอย่างนี้อ่าก็เขาที่ที่ในเอ่อถ้าเป็นอัตกถาะรู้สึกเขาจะมีการว่ามันเอ่อเขเรียกอะไรนะสายของเราระดับพรมชั้นพรมชั้นอะไรต่างอ่าอ่าเราเขาไม่ได่สิครับไม่ต้องไปสนใจอย่างเพราะส่วนใหญ่พวกนั้นเนะี่ยถูกแต่งขึ้นอ่านิ่ท่านเอา เราเอาหลักฐานมาให้ดูว่าไอ้พวกคำแต่งใหม่พวกนี้มันมาจากไหนที่เราไปเห็นหนังสือพวกนี้มันมาจากหนังสือใจปูมิพระล่วงใะเป็นส่วนใหญ่<ม>เขาจะแต่งกันเองว่าเปลดเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงซึ่งมันก็เก่าเก่าแบบว่าในยุคนี้ก็มองว่าเก่าแต่มันไม่ใช่พุทธศานะมันถูกแต่งใหม่เมื่อไม่กี่ร้อยกี่ปันปีมานี้แค่นั้นเองนะ <c oughs> เพราะนั้นเราต้องเช็คหลักฐานพวกนี้ดีๆว่า ไอ้ที่เรานั่งอ่านหนังสือกันมาเนี่ยมันามาจากไหนคติต่างๆพวกนี้การปรุงแต่งพวกนี้มันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะอ่แล้วในทาว่ารู้สึกเหมือนกับจะไม่มีการกำหนดอายุนะครับ อ, อืออื อ, อประมาณนั้นไหมครับในชั้นสุตทาวาสเนี่ยก็เรื่องอายุนี้ก็จะยืนยาวนะยืนยาวระดับข้ามพระพุทธเจ้าเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมา พูดกรรมของตัวเองว่าเคยทํากรรมกับผู้เจ้าองค์นี้องค์นี้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็อยู่มาจนทั้งถึงผู้เจ้าองค์นี้สาสิบเอ็ดกับที่แล้วเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วนะีจะบอกอย่างนี้เอาไว้นะแบบเหมือนกั บ, บไม่กำหนดอายุในชั้นนี้อ่าอ่าประมาณนั้นไหมครับเรื่องอายุนี่ก็เจอเท่าที่เจอนะว่าผู้เจ้าตัดไว้แค่ไหนดังนั้นเนี่ยในหนังสือพ่อปูมเนี่ยก็คือจะเอาเท่าที่ผู้เจ้าตัด ในความสมบูรณ์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะชอบไปเติมเพื่อให้มันสมบูรณ์มันก็จะเริ่มแต่งใหม่กั <c oughs> อยากจะให้สมบูรณ์ก็จะเริ่มแต่งใหม่ละแต่นี้เราจะเอาเท่าเท่าที่ผู้เจ้าตัดพระองค์พูดแค่นี้เราก็จะเอาแค่นี้อย่างเงี้ยครับพระคุณครับอ่เสียอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ทางนี้นึ่น ะ, น ะ, น ะ, นะ โอกาสครับเออพอดีโยมอ่านพุทธภพภูมิอะครับมีอยู่อันหนึ่งที่เรื่องอะไรนะเรื่องวินญันทิติอะครับที่เป็นอ๋อที่มันมีอสัน อ, อายตนะสองใช่ไหมมีอสันยีสัตว์นะครับแล้วตรงอัถฐทิบายเขาบอกว่าอาศันยีสัตว์คือพวก ผ네 <im ู้ไม่มีพวกไม่มีสัญญาใช่ไหฮะบอกว่าเช่นพวกผู้ได้สัญญาเวทยิตเนโรนะครับคือแค่ส่งอันนี้อันนี้คือไม่ได้คิดจะจะเป็นนะฮะแต่หมายถึงถามเพื่อความคือถามเพื่อความสมบูรณ์หนังสือเฉยๆครับคือคือยมไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นอธิบายของคน ผู้ผู้รวบรวมมาครับแต่แต่เวลาไปคนไม่เจอนะว่าผู้บรรลุสัญญาเวทีนิโรธจะเป็นสัตว์ชนิดนี้อ๋อไม่ใช่ผู้ที่บรรลุสัญญาเวทีตนโรธเนี่ยที่ไปเนี่ยมีมีแล้วที่เจอเนี่ยนะเป็นคําตอบของพระสารีบุตรที่พระเจ้ารับรองคำพระสารีบุตรอีกทีหนึ่งที่ถกกับพระอุทายีนะแล้วอุทายีก็คัดค้านพระสารีบุตรสามรอบพระสารีบุตรมายืนยันต่อหน้าพระเจ้า อุทายีก็คัดค้านอีกสามรอบพระเจ้าก็นิ่งอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่มีใครพูดอะไรพระเจ้าก็เลยถามอุทายีแล้วถือว่าไปเกิดที่ไหนอุทายีตอบมาพระเจ้าก็เลยตําหนิอุทายีเนี่ยใจไม่ได้แล้วก็เลยรับรองคําพูดภาษาลิบุตรคือภาษาลิบุตรบอกจะกลับไปถ้าไม่เป็นพระาราหันก็จะไปเป็นเทพผู้มิลิทธทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งคือไปได้หลายชั้นตัวสัญญาเวทิตเนี่ย กลายเป็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะของความเป็นภพนะเพราะฉะนั้นแต่ละสมาธิแต่ละขัน้นมีความเป็นภพของเขาหมดเลยว่าเช่นชา้นที่หนึ่งจะได้พรหมกายิกานางชานที่สองจะได้อาภัสสรชั้นที่สามจะได้สุภกินหะชานที่สี่จะได้เวหพละอากาสาจะไปอยู่ภพนี้นี่ภพนี้แต่สัญญาวทิตไม่มีใครได้สัญญาเวทิตจะตีกลับลงมาเกิดใน เทวดาชั้นต่างๆชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็เวลาหาคําว่าอาศัญยีพรมก็จะเจอในบทที่อะไรนะที่ที่เนี่ยฮะที่ไม่สําคัญมั่นหมายในธาตุดินน้ําไฟลมพรมอผมมาอกล ก, กาสุกินะอุ้ยฮะเพราะและ้วก็มาอาศัญยีพรมขั้นกลางลว่าอากาศสานัญญาเนี่ยมันไปอยู่ระหว่างนี้ไ ง, ไงคือพวกนี้ถ้าจะเช็คจริงๆต้องเคลียร์ใหม่ครับเพราะคําว่าพรมเนี่ยไปเจออีกว่า เราไปใส่คำว่าพรมกันเองปรากฏว่าพรมจริงๆเป็นชื่อของเทวดาในชั้นชั้นต้นคือได้ปฐมฌานเท่านั้นนะส่วนภาษาะสุพกินหะเนี่ยภาษาไทยไปเติมคำว่าพรมเองในบาลีไม่มีนะตรงนี้ต้องเคลียร์ใหม่เยอะเลยเแล้วยังสุทธาวาส น, นี่อีกเหมือนกันสุทธาวาสเราไปเจอว่าในสุทธาวาสห้าชั้นเนี่ยน ะ, นะในสุทธาวาสห้าชั้นเนี่ยกลายเป็นว่า อนาคามีเนี่ยจะไปอยู่ในชั้นที่ห้าส่วนสีชั้นแรกของสุทธาวาสเนี่ยจะมีหลายระดับแต่ทั้งหชั้นของสุทธาวาสเนี่ยจะไม่เนื่องด้วยปุถุชนพระเจ้าจะบอกแล้วผู้ที่ไปอนาไปสุทธาวาสตรงนี้ได้เนี่ยคือจะมาจากอนาคามีห้าพวกอนาคามีห้าพวกสี่พวกแรกเนี่ยจะเป็นพระรหัสในโลกแต่พวกที่ห้าเนี่ยตัวนี้ จะตายคาอนาคามีแล้วจะไปเกิดในชั้นที่ห้าคืออาคาริฐาของสุทาวาสซึ่งสุทาวาสจะมีห้าชั้นแต่พวกสี่ชั้นของสุทาวาสเนี่ยจะมาจากชั้นหนึ่งสองสามสี่นะ mm hmm. ซึ่งเห็นการเกิดดับได้สมาธิบวกเห็นการเกิดดับจะมาอยู่สี่ชั้นแรกของสุทาวาสนะกับอีกพวกหนึ่งที่จเจริญเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแล้วเห็นเกิดดับจะมาอยู่สี่ชั้นแรกของตัวนี้นี่ตอนนี้คือแกะได้เท่านี้นะ เดี๋ยวจะทําผังออกมาให้เรียบร้อย<ช>เพราะ<ช>พวกนี้มีพระสูตรรองรับหมดแต่พระสูตรเนี่ยจะตัดไว้ตัดไว้เราต้องนั่งค่อยค่ยค่อย ค, อย ค, อยคอยพิจารณาดีๆแล้วจะเริ่มต่อภาพนะได้หมดเลยว่าคำพระเจ้าจะเชื่อมลงล็อกกันหมดปับป๊บปบัตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะนี่เป็นความเลิอ่อีกอย่างของคำพระศาสดาซึ่งไม่มีสาวกคนใดที่รู้เห็นตรงนี้แล้วก็บัญญัติออกมาอย่างถูกต้องเป็นระบบระเบียบตรงนี้ นะพระอนุรุทธาก็ไม่สามารถตรงนี้<ม>คือนี่คือภูมิความรู้ของพระเจ้าที่มองเห็นทั่วโลกธาตุแล้วก็บัญญักมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเนี่ยก็กำลังถอดรหัสตรงนี้อยู่นะตอนนี้ถอดได้เท่านี้นะ เ, <ม>เพราะนั้นที่เข้าใจกันก็<ม>ก็ต้องเดี๋ยวปรับนะแต่เริ่มปรมก็จะดูอีกทีหนึ่งแท น, ม, ม, นมันแปลว่าอาภิ ป, ปูใช่ไหมอภิ ป, ปจ อาสัญยญญญีกายเป็นอภิปู่นใช่สำนวนท่านพุทธเถิตอนนี้ตอนนี้อาสันยีเนี่ยไม่มีที่ลงที่ลงที่เดียวที่ผู้เจ้าโบวเอาไว้คือเทวดาในกลุ่มอภิภูที่โบวเอาไว้นะเพราะนั้นตัวนี้จะต้องเทียบกับสัตวาช9วิญญาณทีติเจแล้วก็ระดับของชั้นนะมนุษย์และเทวดาที่ผู้เจ้าไล่ตั้งแต่ดินน้ำไฟลมนะเทพประชาบดี นะอาการสาไล่มาไล่มาทั้งหมดเนี่ยเอามาสมกันได้จะสมกันได้พอดีเลยเป็นเรื่องแปลกมากนะจะเห็นตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวไว้ทำฝังเสร็จแล้วยมจะดูว่าโอ้โหพระสูตรแต่ละอันเนี่ยนี่คือระเบียบแห่งถ้อยคำของผู้เจ้าจริงๆมาถึงบอกภพภูมิเนี่ยยมต้องอ่านเป็นเป็นร้อยเที่ยว <c oughs> แล้วจะได้จดจำบทพัญชนะผู้เจ้าได้และจะรู้ว่าเจ้าดึงตรงนี้ออกหยิบตรงนี้ใส่ดึงตรงนี้ออกหยิบตรงนี้ใส่ โอ้โหมันเป็นอะไรที่สนุกมากอยงยิ่งอ่านเนี่ยยิ่งยิ่งได้ความลึกความลึกความลึกขึ้นไปนะเรื่อยๆนะอ๋อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้งั้ น, นสัมนวนที่บอกว่าเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นฝีเป็นลูกกรด อ, อย่างเงี้ย<ช>แล้ว<ช>คนที่ตายในฌานแต่ยังยังไม่อะไรนะเออคือเหมือนสัมนวนเนี้ยมันเกี่ยวกับนาคาเมียเพราะทำกาลัยก็เลยเป็นสุดทวารนะฮะ เอ่ยสำนวนที่ว่าเป็นฝีเป็นลูกศรไม่อันนี้เป็นสำนวนของการเห็นเห็นการเกิดการดับเห็นอริยสัจนะแต่แค่เห็นอริยสัจคือยังเป็นนาคามีนะฮะเลยไปเกิดสุทาวาสอ่าเห็นอริยสัจเนี่ยสามารถไปได้ถึงความเป็นพระราหันแต่ถ้ายังมีอุปธิเหลืออยู่จะกลับมาเป็นนาคาเมอ่าอย่างนี้อุปธิก็คือความมีอุปทานถ้ายังเพลินอยู่ยังมีความยึดมั่นอยู่ก็จะ หล่นมาหนาคามีางไงอืมอือฮอืออื ม, อมอเพิ่มใหม่สักสิตัว ใช่ไหม เ, เรื่อง อ, าา อ, อ, อโหสิกรรมไม่มีเนะาะไม่ถึงมีมีพุทธจชนะแต่ไม่ได้หมายถึงความหมายไม่ได้เป็นอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันอโหสิกรรมหมายถึงแปลว่าได้มีได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับการให้อภัยกันคำว่าให้อภัยพระเจ้าจะใช้ตรงๆเลยคืออภัยทานอเวรทานไม่ผูกเวร อภัยยประชาทานไม่ผูกไปาบาทนะ่ะอย่างนี้ออืได้มีได้เป็นนะครับใช่ใช่เช่นเป็นได้เป็นกษัตริย์โดยชาติเนี่ยจะใช้อโหสิกรรมนะอโหสิได้เป็นกษัตริย์โดยชาติได้เป็นพราหมณ์โดยชาติไม่ได้เกี่ยวกับการอาภัยเลย <โอ S 1> นะอนะืออย่างนี้ก็ต้องใช่หไหมใช่ผิดอ่าไปแต่งความหมายกันเอาเองนะไม่ไม่ตรงความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ ก็เลยเลยอยากจะให้เปลี่ยนคำว่ากรรมในเวรนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยไม่มีแต่จะมีผู้ผูกเวรผู้จองเวรเนี่ยนะผู้ที่ผูกพยาบาทคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเมื่อเขายังเป็นสัตว์ที่มีอวิชาอยู่เนี่ยเขาจะผูกเวรเขาจะจองเวรก็คือเอาเวลทานอพยาประชาทานนะคือผูกเวรนะผูกพยาบาทอย่างเนี้ยดังนั้นผู้ที่ผูกเวรผูกพยาบาทก็คือสัตว์ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏ น่ะอ่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาผูกเวรผูกปาดไวน้นี่มันก็ไม่ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับคนที่ถูกผูกใช่ไหมก็แล้วแต่ไง อ, อย่างสมมุติว่าคนนี้ผูกกับคนนี้แต่คนนี้เจริญมรรคแปดหลุดพ้นไปแล้วคนนี้ผูกก็ผูกไปแต่หาตัวคนนี้ไม่เจอคนนี้หายออกจากสังสารวัตไปแล้วหรือผูกกันแล้วไปเกิดคนละภพการผูกนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไปทําอะไรกันไม่ได้ แต่ถ้าบังเอิญจะเอ๋มาอยู่พบเดียวกันก็อาจจะมีความคุนเคืองกันได้น่อย่างที่ผู้เจ้าบอกประธาดย่อมเข้ากันได้โดยธาดอย่างเนี้ยความรู้สึกมันจะเข้ากันได้หรือว่าผู้ที่เป็นคู่กันแล้วจะอยู่ร่วมกันได้ทั้งในพบนี้แล้วก็ในสัมปลายะในพบต่อๆไปนั่นก็แสดงมันมีการผูกกันไประดับหนึ่งะถ้าศีลเสมอศรัทธาเสมอกานศีลเสมอการจาคาเสมอการปัญญาเสมอกัน คู่นี้จะได้เจอกันอีกนะอย่างนี้อ่อ <c oughs> อาเนี่ยก็พระเทวทัตกับพระพาาุทธเจ้าอ่าหน้านั้นก็จะมีระดับที่เสมอกันอยู่ใช่ใช่เพราะพระเทวทัตก็เป็นบุคคลที่ถูกฝึกมาดีพอสมควรเหมือนกันอ่าไม่ก็ไม่ธรรมดานะอืมดังนั้นคนที่จะเวียนไายตายเกิดต่อไปคือคนที่ผูกเวีนจองเวนใช่คนที่ก็ไม่เกี่ยวต้องเท่าไหร่ใช่ คือต่างคนต่างก็เดินไปตามกรรมของตัวเองไปไนงะแล้วจะเวียนแวะเวียนมาเจอกันหรือไม่แค่นั้นเองนะ<ม>ออืถ้าคนที่ปลูกเวีนกับเรานะปิดศีลห้ามากนะทําอกุศลกรรมเยอะมันก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเราไปเกิดเป็นเธวดาก็ไม่เจอกันแล้วนะอย่างนี้แล้วเรืองขอให้เขาอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับก็ก็มีนะการที่ที่เราสอนให้อภัยกันเนี่ยก็จะมีผล แน่นอนเลยต่อตัวคนให้อภัยเพราะว่าการอย่างที่ว่าเราจับถ้าเข้าให้อภัยก็คือมันจะเกิดการไม่ผูกเวรกันน ะ, ะ, ะไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทกันซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าให้ละอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาในใจให้ละความรู้สึกในการพยาบาทในการเบียดเบียนอย่างนี้ครับคุณครับอ่าก็อใม่ตรเหมือน <c oughs> กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับชื่อพีรภูมิชุมพลนะครับอ า, าสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรือรังและระยะสุดท้ายจากกลยาณการุณนะครับอ่แล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยครับที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับ อ, อยากจะพอดีแม่ผมเนี่ยครับแกจะสดมนยาวไม่ได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ที่ช่วยกัได้อยู่ก็คือเป็นคลิปเสียงของหลวงปู่ชาเรื่องบ้าน<อ>าที่แท้จริงนะครับ<อ><อ>แล้วก็คือผมอยากจะ<อ><อ>ให้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องของพุทธวจนะมากิ่งขึ้น<อ>พระาอาจารย์จะแนะนําได้อย่างไรบ้างครับกเ็เข้าเว็บไปโหลดในในเว็บก็ได้หรือว่าหรือว่าวันนี้วันนี้มีคารวานมาแจากนะ เนี่ยวันนี้มีคาราวาชั้นเลิศมาแจกทั้งหนังสือแล้วก็ซีดีเปิดแผ่นนี้ก็ได้เพราะนี้คืออ่านคาราวาชั้นเลิศเนี่ยทั้งเล่มนะหรือว่าปฐมธรรมนี้ก็ได้นะหรืออนาปานสติแผ่นอนาปาก็ตามที่เพิ่งตายไปเมื่อหยกยกสองสาวันเนี้ยที่ผิวฟันผ่องใสนะฟังแผ่นอนาปาตลอดเลยนะหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้อย่างเงี้ยนะนั้นะ พอคนใกล้จะตายเนี่ยโยมผู้เจ้ามองแล้วว่าอินทรีย์ต้องแก่กล้าแล้วคือมันเจอสภาวะจริงๆแล้วไงผู้เจ้าจึงบอกว่าคนก่อนตายเนี่ยถ้าได้ฟังคําตถ า, ถาคตนิดนึงนะบรรลุธรรมเลยเห็นนะและการบรรลุธรรมของเขาเนี่ยจะไม่ต่างกับผู้ที่บรรลุธรรมมาแล้วแม้ร้อยปีได้เท่ากันนะ่ะโยมดังนั้นเนี่ยต้องช่วงชิงโอกาสเลยนะใช่ไหมแต่ตรงนี้เกิดประโยชน์มาก แล้วผู้เจ้ายืนยันคําตถาคตไม่ได้ยืนยันคําสาวกน ะ, ะคําตถาคตนะถ้าฟังคําตถาคตเนี่ยได้อันนี้ส่งนี้แน่นอนนั้นเราอย่าไปประเมินว่าเขาไม่รู้เรื่องนะประเมินก่อนเลยว่าเชื่อตถาคตรู้เรื่องแน่นอนเปิดไปเลยนะอะคือผมอยากปรึกษานิดนึงนะครับคืออยากจะให้ในช่วงสุดท้ายของคุณแม่นะครับ อ, อเออผมก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะครับแต่จิตใจของออท่านเนี่ยตอนเนี้ยดีขึ้นนะครับด้วย ความพยายามของผมที่จะมอบธรรมะให้แก่ท่านนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในความคิดผมนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธรรมะของท่านก่อนที่ท่านจะละสังขาร่างกายไปก็คือจะให้ท่านเลิกยาแผนปัจจุบันทั้งหมดนะครับแล้วก็ ม, มาเพิ่มเอาเวลาตรงส่วนนั้นมาชดเชยด้วยวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธวจนะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของธรรมะด้วยส่วนหนึ่งพระอาจารย์เห็นว่าอย่างไรบ้างครับมีดีๆีก็แบบยะแม้แต่มาไม่ ทานยาอะไรเลยเนะ่ธรรมชาติธรรมดาเนี่แหละก็สมุนไพรธรรมดาไม่มีอะไรก็ไม่ได้เป็นสมุนไพรยาอะไรวิจิตพิสดารอะไรนะอืก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะอแล้วก็ก็สองสมัตแรกๆก็จะไม่รู้ตัวเลยนะอืก็นึกว่าสงสัยจะไม่รู้ตัวไปยาวละ อะก็ดีขึ้นดีขึ้นเริ่มพอขยับปากได้ยิ้มได้อะไรได้ยกมือได้อะไรอ่ะก็อ่อแล้ดีลนะนะมันจะดีขึ้นดีขึ้นก็ที่แรกหมอหมอทุกคนก็บอกให้ผ่าเลยแต่บางบางคนก็บอกอย่าผ่าเลยใหญ่ขนาดนี้ผ่าไปก็ ก, ก็ไม่ไม่ไหวนะคุณภาพชีวิตไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนและยมแม่ก็เป็นคนที่แพ้ยาอะไรเนี่ย ทุกชนิดเลยอดยาไปก็เรียบร้อยอยาจจะตายก่อนผายก็ได้นแต่กลับกลายเป็นว่าก็ไม่ใช่อะไรก็น่าจะก็ดีขึ้นมาเลยๆก็ลองไปใช้ดูก็ได้อแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับ <c oughs> อยากทราบ เ, เรื่องของการแผ่เมตตาครับแล้วก็พระอาจารย์ช่วยลิง k ์ความเชื่อมโยงระหว่างพุทธวจนะกับการแผ่เมตตาหน่อยครับเพราะการแผ่เมตตาเนี่ยพระเจ้าจะจะบอกหลักการเอาไว้แค่นั้น คือขั้นต่ําสุดเนี่ยลานิบวรธาให้ได้เพราะสมาธิเนี่ยมันได้หลายระดับดังนั้นการแผ่เมตตาผู้เจ้าก็จะไม่ไม่ฟิกรูปแบบเพียงแต่บอกหลักการเอาไว้ว่าขั้นต่ําสุดคือลานิบวรธาได้แล้วให้ทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่4แต่ทีนี้ถ้าเราเข้าสมาธิได้แค่ไหนละถ้าสมาธิที่ยังมีวิตกวิจารก็อาจจะต้องใช้วิตกวิจารในการแผ่เมตตา แต่ถ้าละวิตกวิจารได้แล้วเนี่ยก็ใช้กำลังของสมาธิใช้ความรู้สึกเนี่ยแผ่ออกไปได้ที่พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังเนี่ยที่มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากชันใดเนี่ยนะก็ลักษณะเดียวกันนะดังนั้นพระองค์จึงบอกเป็นหลักการเฉย ถามเนื่องจากคาถามเมื่อกี้แล้วถ้ากรณีว่าอย่างท่านละพบ อ, อือืมอืมแล้วท่านคือคื อ, อ, อไม่ทราบว่าในจะสามารถตัระดับตรงนั้นแล้วเราตร น, นี้ยเจ้าค่ะก็เท่าที่ดูเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้ก็คือนิดเดียวแค่นั้นเอง คือกระทําทักษิณาอุทิศท่านที่จัดไว้ในเรื่องของทิฏกหน้าที่ของบุตรที่พึงกระทําต่อมารดาบิดานะีก็คือทําได้แค่นั้นนะนอกนั้นก็ไม่มีละเพราะเมื่อไปอยู่คนละภพละความเกี่ยวพันกันมันจะเริ่มห่างห่างออกไปเรื่อยๆจะมีบางภพที่พอเกี่ยวพันกันได้บางภพเกี่ยวพันกันไม่ได้ละไกลออกไปมากเกินไปละอย่างนี้อา่า เราก็ใช้การแผ่เมตตาการกระทําทักสีนาอุทิศท่านอย่างนี้ทํำยังไงเจ้าคะให้ทานก็ไดนะ้ให้ทานแล้วตั้งเจตนาอุทิศอย่างนี้นะสําเร็จที่เจตนาที่ผู้เจ้าบอกเรากล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแต่ทันทีจิตที่ <c oughs> ที่จะมีกําลังเนี่ยผู้เจ้าตัดว่าเป็นจิตที่ต้องปราศจากนิวรณ์ห้นิวรณ์ห้าก็คือกามฉันทะพยาบาทธีนมิธะความม่วงเหงาเ <c oughs> หานอนอนุทจจะ คือความฟุง้งซ่านวิจิตรฉาความสงสัยลังเลอารมณ์5อย่างเนี้ยมันทําให้จิตไม่ตั้งมัน่นยมจะคิดอะไรก็จะคิดไปปุ๊บไปคิดเรื่องโน้นเลยละจะคิดเรื่องนี้จะแผดไปคิดเรื่องนี้ละมันฟุง้งซ่านน่ะจิตมันรวมกำลังไม่ได้ความคิดมันแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้หรือถูกความง่วงครอบงำอย่างนี้นะเราจะแผ่เมตตาซะว่าหลับไปสล้วนะนะไม่จบเลยแผ่เมตตาไม่จบดังนั้นก็ต้องทําจิตให้ตั้งมั่นตรงนี้ก่อนเป็นพื้นฐานนะ่ะ ผู้เจ้าจะบอกต้องร้านนิวรนธาจะเปรียบเหมือนน้าที่มีกําลังที่ไหลลงมาจากภูเขาตรงๆไม่ถูกซอกซอยซ้ายขวาดึงไปเนี่ยจะเป็นน้ําที่มีกําลังนะจิตที่ร้านนิวรนธาได้ก็เหมือนกันจึงมีกําลังที่จะสามารถแผ่เมตตาทิฏฐิบุญกุศลทะไรต่อไรได้อย่างนี้ดังนั้นจึงต้องกลับมาฝึกจิตเราให้มีความสงบนะเราจะได้ทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จประโยชน์นะอืม เครับ <c oughs> ผมครับเอคราบเรียนพระอาจารย์ครับ อ, อวันนี้วันนี้ที่ได้มาวันนี้เนี่ยก็คืออ่านหนังสือพิมพ์พบว่าท่านอาจารย์นี่จะมาบรรยายธรรมเรื่องเกี่ยวกับเจ้พุพทธพจน์นะอ่า <c oughs> ก็เลยก็เลยแวะเข้ามาอ่านะฮะจะมีคําถามถามอาจารย์ครับว่า ในช่วงแรกที่ทที่ที่พระอาจารย์กล่าวเกี่ยวกับว่าถ้าหากว่าเรานั่งสมาธินะครับนะฮะถึงถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะฮะกับการที่เรียกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังตาถาทศกล่าวออืหรือว่าพูดอนะฮะก็จะไม่ได้เกิดไปเป็นเทวดาใช่ไหมครับหอมนะฮะถ้าถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบว่าเรานั่งสมาธิ เพื่อหวังผลจะจะได้เป็นเทวนาวไปเกิดในภพที่ดีอ่านะฮะมันเหมือนกับว่าผมมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเจตนานที่เราจะนั่งสมาธิเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเจตนานที่ว่าหวังในผลที่ว่ามันก็นว่าเอมจะเรียกว่าไงดีครับเรียกว่าเรียกว่าเกิดกิเลส่าน ะ, ะเป็นตัวเป็นตัวตั้งขึ้นมา <c oughs> เพื่อจะได้ไปนในสู่ที่ดีแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีหรือครับ มีสัย์พจาจะบอกผมอันนี้เดือวนะครับผมขอขัดพระอาจารย์นิดหนึ่งนะครับก็คือสันิดหนึ่งนะครับก็คือต้องบอกว่าผมห่างเหืนกับห่างหืนกับการมามานั่งฟันธรรมะเนี่ยนานมาก อ, าาอานานไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีแหละนะฮะสมัยก่อนนี่จะไปนั่งฟันธรรมะ ก, กับท่านปัญญาันทั พ, พ่ิคุนะฮะก็เรียก ว, ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นโชคดีครับที่ว่าได้มาได้มาเจอตัวจริงของพระอาจารย์หลังจากที่ฟัง เห็นพระาจารย์อยู่ในโชรทัศน์อย่างเดียวอเป็นลักษณะนี้แล้วนี้ต้องบอกว่าผมเองเนี่ต้องบอกเป็นบัวใต้น้ําำเนี่ยโผปิ๊ดๆท่างนั้นเองเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นคำถามที่ว่าโง่ๆเออเป็นคำถานที่ว่าไม่ค่อยฉลาดนักอแต่เป็นข้อสงสัยที่เรียกว่าเออบางครั้งเนี่ยเราทําความดีหรือว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยแต่มุ่งหวังผลอในการที่ว่าอยากจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้สึกว่ามันมัน มันเป็นจุดเริ่มตน้นที่ว่าไม่ค่อยถกูกนะไม่ทราบว<อ><ช>่าผมคิดผิดหรือไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ผิดครับเข้าใจเข้าใจที่โยมถา ม, <ผ>มทั้งหมดเนี่ยแต่มันมันเป็นโคโาชอตกันไงมันเป็นมันเป็นโคโลชอตกันที่โยมพูดเนี่ยผู้เจ้าพูดไปอยู่ว่าการที่ประพฤติปรมจันเพื่อมุ่งไปเป็นเทวดาหรือเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นคือการประพฤติปรมจันที่เศร้ามองเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของปรมจัน แต่นั่นคือพู้เจ้ากำลังอธิบายสัจจะความจริงว่าถ้าเขาทำสมาธิขั้นนี้ได้เนี่ยเขาตายไปเนี่ยผลของมันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะนำพาเข้าไปสู่ภพของเทวดาชั้นนี้นะเพราะอารมณ์ของสมาธิตรงเนี้ยมันคือภพบแบบนี้สมาธิแบบนี้คือภพบแบบนี้พู้เจ้ากำลังอธิบายตรงนี้และถ้าคนได้สมาธิแบบนี้แล้วเกิดได้เคยสดับในคาของตถาคต เขาจะได้ไปเป็นเทวดานี่แหละและเขาจะปรินิพานในภพนั้นพัฒนาตัวเป็นอริบุคคลได้ซึ่งพระเจ้ากําลังให้เห็นความต่างกันของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่เคยได้ฟังคําตถาคตเลยพวกนี้ยังไม่มีทางบรรลุจนกว่าจะได้ยินได้ฟังคําตถาคตแม้สักหนึ่งคำนะต่างกับพวกที่ได้เคยได้ยินฟังคําตถาคตบ้างเนี่ยไม่ต่างกันมากนะพระเจ้าจะเรียกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับปุถุชนผู้ได้สดับ ซึ่งบุตรชนเพื่อได้สดับมีโอกาสที่จะบรรลุธทำได้ตลอดเวลาตามอินทรีย์พาวนาของเขาแต่การประพฤติพรหมจรรย์มิใช่เพื่อหวังผลเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งแน่นอนนะและพระเจ้าก็ยังบอยว่าการประพฤติพรหมจรรย์ของคนพาลเนี่ยก็เพื่อเพื่อการเข้าไปได้ถึงกายได้กายนั้นกายนี้นี่ไม่ใช่นี่เป็นคนพาลแต่บัณฑิตจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการไม่เข้าถึงกาย ไม่เอากายใดๆทั้งสิ้นกายอะไรก็ไม่เอาจะมีตัดบอกไว้อยู่นะและจะมีอีกว่าถึงเขาจะหวังหรือไม่หวังอยู่ที่การสร้างเหตุถ้าสร้างเหตุถูกต้องเนี่ยหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้เพราะมรกแปดให้ผลตลอดนะไม่มีการไม่ให้ผลนะโดยเปรียบมรกแปดเปรียบเหมือนยาถ่ายคือวิเรชนังนะโดยเปรียบเทียบกับยาถ่ายทั่วๆไปเนี่ยให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้าง แต่ยาทายอันเป็นอริยะคือถ่ายความแก่เจ็บตายออกไปจากสัตว์นั้นเนี่ยให้ผลร้อเเซ็์แน่นอนไม่มีการไม่ให้ผลดังนั้นแม้โยมจะรู้ลมหายใจแม้เวลาเพียงชั่วรับนิ้วมือนิ้วมื อ, มองอเข้ามาแค่นี้พระเจ้าก็บอกว่าไม่เหินหางจากฌานนะทำตามคําสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าแค่นี้ก็ยังให้ผลเลยเอยู่อ่พาพรเจ้าบอกนับภาษาลายที่จะกระทํามากจเจริญมากนะยิ่งได้ผลมากมาย นะเป็นอย่างนี้ที่โยมคิดน่าถูกแล้วนะอขอบคุณครับอออันนี้มี ม, มีมีเรื่องนะครับที่ว่าผมเองเนี่ยต้องบอกว่าห่างห่างหินจากวัดเนี่ยมาก อ, าอาสาเหตุนี่ก็เกิดจากเรื่อว่าคนใกล้ตัวคนที่เรียกว่าเรานับถือมากเนี่ยก็คือเขาปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยนะฮะนั่งนั่งศีลสมาธินี่ยต้องบอกว่ า, เ, าเป็นคนที่ว่าเก่งเก่งในระดับคนหนึ่ง แต่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งนี่สังเกตสังเกตเขาแ้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขานั่งสมาธิอืทําให้ทําให้ผมเกิดในลักษณะแบบว่ามันก็ว่าเสื่อม uh huh. นะเสื่อมศรัทธา uh huh. ในในการที่เรียกว่าเอ๊ะทาไมคนที่เรียกว่านั่งนั่งสมาธินะมีความรู้มากแต่ทําไมถึงแค่เรียกว่าหลักหลักประพฤติง่ายๆแค่เรียกว่าละความกโกรธหรืออะไรแบบนี้ uh huh. หรือความ uh huh. เห็นแก่ตัวเนี่ย uh huh. เขายังละไม่ได้เลย อ๋อมีมีมค ำ, คำอธิบายอธิบายได้ครับผ ม, ผมก็เลยทําให้ผมก็เลยรู้สึกว่าเบื่ อ, อนะครเ บ, บรื่พอพลอยทําให้ดูเบื่อแล้วประกอบกับว่าเห็นไหล่ไหลหล่ไหอย่างครับไหล่ไหล่อย่างก็เลยทําให้ทําให้รู้สึกว่าเบื่ออแต่ไม่ได้ทิง้งไม่ได้ทิงท้งหลักหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับนะฮะส่วนตัวนี่ก็คิดว่าแค่เรียกว่าเราเรามีสินห้านี่ก็เรียกว่าถ้าหากว่าถ้าว่ายึดสินห้าได้นี่ผมคิดว่าก็เพียงพอแล้ว ก็ก็พออยู่แต่ยังไม่ไม่สึกนะครับผใช่ท่นี้ความเห็นเราจะเอาความเห็นผู้เจ้าเป็นหลักไงอย่างอย่างที่โยมบอกเนี่ยก็คืออันอันแรกเนี่ยเรื่องของสมาธิเนี่ยสมาธิไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริบุคคลไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าว่าเขาละกิเลสได้เท่านั้นเท่านี้นะแต่เป็นเครื่องช่วยเพื่อให้เขาเนี่ยกาลังลาดเอียงโน้มเอียงเทเองไปสู่นิพพานเท่านั้นการทําสมาธิต้องเห็นอริสัต บวกการเห็นอริสัต์เข้าไปด้วยสองอย่างถึงจะเป็นอริบุคคลได้ถ้าทำสมาธิแล้วไม่เห็นอริสัต์ก็จะไม่ต่างกับพวกฤาษีโยคียแต่ก่อนซึ่งเ็าได้สมาธิกันมาก่อนผู้เจ้าเกิดอีกนะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ฤาษีโยคียละความโลบโกรธลงไปได้นะยังมีอยู่นะเพราะยังไม่เห็นอริสัตคือการเกิดและการดับดังนั้นการทาสมาธิได้ต้องบวกการเห็นการเกิดดับ การทำสมาธิได้นั้น <c oughs> เรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่พูดยากพอสมควรต้องพูดทั้งคุณและโทษไปพร้อมๆกันนะผู้เจ้าเนี่ยคือสมาธิติดก็ไม่ได้นะแต่ไม่ทำก็ไม่ได้นะหลักของผู้เจ้าก็คือต้องทำมากจเจริญมากนะสมาธิต้องทำมากจเจริญมากแต่ขณะเดียวกันติดไม่ได้ขณะเดียวกับที่การทำสมาธิต้องบวกเห็นการเกิดดับไปด้วยอริสัต์ สมาธิในทุกขั้นต้องเห็นการเกิดดับของกันทั้งห้าเพื่อให้เข้าใจสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดมาแล้วก็สลายไปไม่มีสมาธิถาวรไม่มีนามธรรมใดอยู่ถาวรไม่มีรูปรธรรมใดอยู่ถาวรไม่มีอะไรในโลกธาตุอยู่ถาวรมีขึ้นตั้งอยู่หายไปนั่นคือการเห็นการเกิดดับดังนั้นนี่คือตัวที่จะทาให้เขาละกิเลสได้คนทาสมาธิได้ผู้เจ้าจึงบอกว่า เธอมิได้อยู่ด้วยธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกล่านะเธออยู่ด้วยธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและเครื่องอยู่สงบเท่านั้นสสมาธิสี่ฌานแรกเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขสชานต่ อ, อส่สมาธิขั้นต่อมาเป็นสมาธิเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่สงบนะเครื่องอยู่เป็นสุขกับเครื่องอยู่สงบนะแค่ลาดเอียงโน้มเอียงเทไป แต่ยังไม่ใช่ทําเครื่องขูดเก่าทําเครื่องขูดเก่าคืออะไรพระองค์ตัดไว้ในสันเลขาธรรมนะอ่าเห็นเข้าวลิศยาเราจะไม่ลิศยาเห็นเข้าวตะนีโอ้อวดมีมารยากระด้างดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านนิกิเลต่างๆแบบที่เราเข้าใจอย่างเนี้ยคนนั้นต้องไม่ทําต้องฝืนเพราะนี้มันคือการปรุงแต่งของจิตขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยสันเลขาธรรมพระเจ้าเรียกตัวนี้สมาธิเอามาใช้ขูดเกากิเลสนะเอามาดู การปรุงแต่งในจิตดูให้มันทันเนี่ยจะได้ทันในการปรุงแต่งว่าปรุงแต่งเนี่ยจะไปว่าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องหยุดระงับและการที่คนเข้าวัดไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นได้ทั้งหมดและการที่โยมเห็นเขานั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งสมาธิถูกหมดนะนั่งสมาธิไม่ตรงตามพุทธศานะก็มีเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยนั้นโยมต้องดูรายละเอียดว่าเขาตรงตามที่ศาสดาบัญญัติหรือไม่นะ่ะ ดังนั้นถ้าไม่ตรงตามที่ศาสนาบัญญตัตินี่ก็หลุดกรอบยิ่งไปไกลกันใหญ่เอาว่าตรงตามที่ศาสนาบัญญตัติแต่ไม่เห็นการเกิดดับก็ยังไม่ได้อีกเหนะ็นไหมต้องมาบวกเห็นการเกิดดับแล้วเห็นการเกิดดับอีกขนาดไหนถึงจะเริ่มละกิเลสได้เป็นขั้นๆั้ขั้นขันขนขนจนกทั่งเป็นโสดาบันบุคคลใช่ไหมโสดาบันบุคคลยังมีโรคป่วยลงไหมมีน ะ, ะยังเป็นผู้มีกิเลสแต่มีแค่มีเครื่องมือที่ถูกต้องในการที่จะใช้ดับกิเลส ไม่ไปกินเหล้าไม่ไปโดดตึกฆ่าตัวตายกินยาพิษไรไม่แต่มีความทุกข์แลก ล, กลับมานั่งสมาธินะอาจจะหลุดดาไปแล้วแต่กลับมานั่งสมาธิดีกว่านะ่นะสงบใจสัหน่อยอย่างเงี้ยคือมีเครื่องมือถูกต้องแล้วไงเนี่ยแค่นี้ก็ยังยากดังนั้นไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดแล้วออกมาจะโอบเนี่ยเป็นภาพับไว้หมดเลยนะเข้าไปก็ยังฝึกขัดขัดเก่าทั้งนั้นนะนะ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้โอกาสทุกคนในการสร้างความดี อย่างเนี้ยต้องให้เวลาเขาเรอะพิจารณาเยอะข้างหลังนะเสียงออกอยู่แต่มันกระพ้องกระแพ่งครับไม่เป็นไร <c oughs> เรื่องทานเมื่อสักครู่นี้ อ, อยากทราบว่าสละทานแล้วเนี้ยนะ ใช่ไหมคะซึ่งของวิชาธนเนี่ยมีหลายที่ยังไม่ไปไม่พกอ่านลงไปหมดอืมอืมแม่มันก็มันก็เป็นมันก็ยังไม่ขูดตัวเองไงมันก็เหมือนกับการให้ทานเป็นการดีเออสมณะไม่หุงหากินแล้วให้สัหน่อยเขาจะได้เอ่อ มีชีวิตอยู่รอดนะจะได้เกิดประโยชน์จากคนนั้นคนนี้การให้ทานเนี่ยดีอย่างนี้มันก็ยังอยู่ในแค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสสงใหญ่เราไม่ได้ขูดตัวเองต้องตั้งจิตประมาณว่ายังไงนะคะละความตนีละความตนีใช่ใช่ช่ว่าละความยึดมั่นจากวัตถุข้าวของเอเราแหมรู้สึกเห็นกับตัวนะเราพยายามเจียดไปหน่อยอันนี้แบ่งไปนิดนึงนะให้เพื่อให้ใช่ไหจ้าค่ะค่ะ ออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> เป็นคำถามในใจมานานแล้วคือเคยฟังซีดีของพระอาจาร์นะคะที่พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึง่งพระอาจารย์เคยฝันถึงพระองค์หนึ่งอะคะ่ะชื่อหลวงปู่ขาวใช่ไหมเจ้าคะ ว่าเคยฝันถึงท่านแล้วก็ในฝันถามท่านว่าที่ทําเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอมันของเก่านานมากนานมากจะไปสนใจมาเลยค่ะคยเคือคือพอดีว่ามันมีมันนิดนึงอะค่ะใช่ใช่หลวงปู่ขาวอนาลโยหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่ใช่ออกไม่ใช่ใช่ไหมโอเคแล้วก็มีถามนิดนึงค่ะทราบว่าทางทางวัดจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนาปนสตินี่ใช่สุกเสวะทิศนี้หรือเปล่าค่ะ เป็นเห็นในเว็บไซต์หรือว่าเป็นเฟ e บุ o กของใครนะคะเขียนว่าอนาปาปาร์ตี้คือนั่งสมาธิกันจนถึงตีสามหรือแล้วแต่กำลังของผู้ปฏิบัติอะค่ะอ๋อใช่ใช่อาทิตย์นี้หรือเปล่าคะจำไม่ได้เหมือนกันก็ค ง, <c oughs> คงจัดกันเองมั้งค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคงจะจัดกันแล้วอาจจะ ถึงเวลาก็นิมนต์ธรรมาไปคุยธรรมะให้ฟังหน่อยมั้งขอกาดค่าผู้สอนจากเล่มฉบับปฐมธรรมค่ะอยู่ตรงไหนนี่ยทังนี้ค่ะจากฉบับปฐมธรรมอะค่ะหน้าที่หนึ่ง้อยห้าสิบในหัวข้อที่ว่ากรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำอะค่ะ ในในส่วนของย่อหน้าสุดท้ายะคะ่ะเป็นหน้าที่ห5 1้าเอดนะคะ uh huh. ขออนุ ญ, ญาตอ่านนะคะพ uh huh. ิสูจน์ทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า <c oughs> ผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้วิบากแห่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือหนึ่งผลวิบากแห่งทานการให้สองผลวิบากแห่งธรรมะ การบีบบังคับใจสามผลวิบากแห่งสัญญาการสำรวมระวังดังนี้อขออนุญาตพาอาจารย์ช่วยอธิบายในข้อสองกับข้อสามอะค่ะอ๋อธ <c oughs> ามะความขมใจหรือการบีบบังคับใจเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวสันเลขขาธรรมาอยู่นะ <c oughs> เห็นเขาเบียดเบียนเราก็เบียดเบียนมั่งก็ดีมั่งเนี่ย <c oughs> เราก็ไม่เอาใช่ไหม เราก็ไม่ทำเราก็จะดํารงอยู่ในในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่างเงี้ยนะเห็นเขาพยาบาดเห็นเขาพูดโกหกเบอร์เจออะไรเราก็ไม่ทำนะมุมดีนะคือไม่ได้ว่าเขาแต่เราเอากลับมาฝึกตัวเราเองเห็นเขาทําไม่ดีในแบบต่างๆเราดึงกลับมาฝึกตัวเราเองหมดเลยนะนี่คือลักษณะของของธรรมะความ บีบังคับใจนะฝืนใจข่มใจนะส่วนสัญญ ะ, ะเนี่ยความสำรวมระวังนะก็คือสำรวมใจให้อยู่กับกายกายยัคตาสตินะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะละากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่างๆได้จิตจะส่งออกไปในทางที่ไม่ดีรีบวางละนันทิตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติผู้เจ้าตัดว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเลยกายเราเองนี่แหละนะ อุปกรณ์ที่ดีที่สุดดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเรื่อยๆบ่อยๆอย่าพยายามให้จิตออกไปออกไปอย่าออกนานเพราะขณะที่จิตออกไปนึกไปคิดเรื่องอะไรก็ตามขณะนั้นร่างกายโยมเนี่ยไม่มีวิญญาณคลองแล้วมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอได้และถ้าโยมตายไปในขณะนั้นอัตภาพใหม่ก็คือจะได้ตามอารมณ์นั้นที่จิตไปตั้งอาศัยอยู่ ดังนั้นความเป็นเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวจิตเนี่ยแล้วตัวจิตเนี่ยมันจะวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะวนอยู่สี่ธาตุนี้ดังนั้นพระเจ้าให้เอาจิตมาอยู่กับรูปรูปจะได้ไม่เป็นอันตรายรูปจะปลอดภัยที่สุดนะดังนั้นถ้าจิตหลุดออกไปนึกไปคิดอะไรก็ตามณเสยววินาทีนั้นจิตไม่ได้อยู่กับกายพระเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษถูกเอามีดดาบ ฟ, ฟันคอขาดไปแล้วน ะ, อะตอนนั้นเนี่ยพร้อมตายได้ตลอดเวลา ถ้าร่างกายเป็นอะไรขณะนั้นเนี่ยอัตภาพใหม่เราจะดูต ร, ตรงอารมณ์นั้นพอดีเลยดังนั้นเวลาอารมณ์เนี่ยที่เป็นอกุศลวิตรก็ย่อ <c oughs> มคิดเรื่องอกุศลอะไรก็ตามพระเจ้าจึงบอกต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะเธอต้องรีบดับให้ไวที่สุดชันใดก็ฉันนั้นดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าบอกต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วน โดยด่วนเลยนะอย่าให้ผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นต่อไปแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายอย่างประสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการนี้ต้องประจําใจเราเลยนะอกุศลเกิดปุ๊บเพราะคนซวยคือเราเองน ะ, ะคิดจะไปด่าเขาเนี่ยคนซวยคือเราคิดจะไปฆ่าเขาเนี่ยปุ๊บเราได้ก่อนเลยเนี่ยดังนั้นถ้าเรารู้หลักการอย่างนี้เราจะไม่กล้าคิดอกุศลเราจะไม่อยากเกิดอกุศลเพราะคนพลาดที่จะไปสุขบายคือเราคนนั้นยัง ไม่ได้ทําอะไรเลยจิตเขายังคิดกุศลอยู่เลยเขาสบายแล้วแต่เราพลาดถ้าเราตายไปพวกเราไปอบายไม่คุ้มกันนะแค่เลี้ยงรักษาตภาพตัวเองให้เป็นมนุษย์มันก็ยากแล้วใช่ไหมเพราะมนุษย์และเทวดาเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยได้มาสู่ความเป็นมุนิสงฆ์เหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผื้นดินในมหาปตพีหูมันเทียบกันแทบไม่ได้เลยนะโยมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แทบไม่ได้เลยแล้วโยมคิดว่าโยมตายแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บเหรอ มันไม่ง่ายนะดังนั้นถ้าเราไม่ได้ถึงโสดาบันบุคคลในชาตินี้เนี่ย <c oughs> โอกาสที่จะไปสู่พบที่ต่ำกว่าเนี่ยมันมีมากเหลือเกินนะดัะนั้นไม่มีอะไรประกันได้นอกจากว่ายมพยายามแตะโสดาบันให้ได้แล้วแต่โสดาบันได้เนี่ยง่ายๆเรื่องง่ายๆคือเชื่อพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์อย่างอื่นไม่เอาแค่นิยมโสดาบันแล้ว โยมไม่ต้องไปเปลี่ยนใครโยมเปลี่ยนตัวเองก่อนขอฉันเป็นโสดาบันก่อนคนอื่นไม่เป็นก็ช่างน ะ, ะนั่นฉันจะวางความเชื่ออย่างอื่นทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจ้าแค่โยมมั่นคงในพระุทธเจ้าเนี่ยนะโสดาบันละมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในธรรมะของพระองค์เชื่อมั่นว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเปลี่ยนคนให้เป็นอริยบุคคลได้เชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระุทธเจ้าว่าพระุทธเจ้าเนี่ยสัพพัญญูแน่นอนพูดถูกทุกคําพูดไม่มีการขัดแยง้งคําพูดเป็นอากาลิโกนะ แล้วน้อมเอาคำพูดปร่งมาประพฤติปฏิบัติเดินตามอย่างไม่มีข้อสงสัยนะวัตโกรธุลมงคลทั้งหลายวางไม่สนใจนะอะไรก็ตามฉันไม่สนฉันจะเชื่อแต่ผู้เช้าแค่นี้โยมพยากรณ์ตนเองได้แล้วว่าเป็นโสดาบันในนั้นโสดาบันเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะแค่ออกไปเนี่ยเพื่อนสกิดไปดูหมอะมะเลยไหไปแล้วไปบนตรงนั้นแล้วกันไปแล้วนะ เนี่ยโยมวางใจเรื่องนี้ทุกอย่างหมดเลยนะประพฤติธรรมอย่างเดียวแค่เนี้โยมโสดาวันนั้นเนี่ยนะอ่าสลัดเคลืนความเห็นผิดแบบต่างๆเพราะตรงนี้มันอยู่ที่เราไงมันไม่ต้องไปแก่สังคมหรืออะไรมันอยู่ที่เราเนี่ยโยมอยากโสดาบันไหมใช่ไหมนั้นสังคมจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่โยมอยากได้โสดาวันโยมก็วางนะแล้วก็ตรงกับพระเจ้าอย่างเนี้ยอ่าง่ายๆเนาะ ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ใกล้หมดเวลานะก็กระชับนิดหนึ่งกลับมนาสการพระอาจารย์ขอเป็นคำถามสั้นๆนะคะพระอาจารย์อยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงไหนอภิารคือหนังสือที่วันนี้ที่สวดบนทําวัดเย็นนะคะทีนี้โยมอาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่า หนังสือของพระอาจารย์ที่สวดมนต์แล้วก็หนังสือทั่วๆไปยอมเ uh huh. ชื่อว่าทุกคนจะต้องสวดในส่วนของธรรมวัชชาและธรมวัจเย็นทีนี้ยอมได้อ่านหนังสือของพระอาจารย์ที่บอกสาธยายธรรม uh huh. ซึ่งบางบทก็ไม่มีสำหรับหนังสือสวดมนต์ทั่วไป uh huh. สิ่งที่ยอม อ, อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ า, าหนังสือสวดมนต์ที่เรามีปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วๆไป uh huh. กับหนังสือเล่มนี้ uh huh. ซึ่งเป็นพุทธวจนะ uh huh. เราควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าคะพระอาจารย์ ถ้าปันเตะขปนท่านบอกท่านจะโละหนังสือสวดมนต์ในวัดท่านทั้งหมดเลยคือประเด็นก็คือว่าหนังสือสวดมนต์ทั่วไปเนี่ยมีทั้งจริงทั้งปลอมนะปัญหาคือแค่นั้นถ้าเขาทําเป็นพุทธวจนะทั้งหมดหนังสือสวดมนต์ทั้งหมดก็ดีหมดแต่เหตุที่ไม่ดีเพราะว่ามีคําที่มนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยแต่งขึ้นแต่โยมไม่เคยได้ตรวจไงแต่ทีนี้อาตมาตรวจแล้ว และทุกคนก็สามารถเข้าไปตรวจได้โดยอัตมาให้หลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกให้คุณไปตรวจกันเองทุกคนและคุณคุณก็จะยืนยันด้วยตัวคุณเองว่าอ๋ออันนี้บทแต่งใหม่ซึ่งถ้าโยมสาวไปเนี่ยโยมจะรู้เลยว่านายกรนายขอคนไหนแต่งบ้างพระองค์นี้แต่งคารวาสคนนี้แต่งในบทสุขนรงต่างๆแล้วก็จะมีบทแบบลูกผสมตัวธรรมวัดเช้าเย็นก็นะคนแต่งก็ไปสืบกันเอาเองแล้วกันนะอ่า ก็จะมีแต่งเอาคำพพุเจ้ามาด้วยแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะด้วยคำแต่งใหม่อย่างเนี้แต่ยังไม่เคยเช็คไนงะแต่พอเรามาเช็คแล้วเราก็จะได้ทราบแล้วเราก็เริ่มทำแต่คำของพระพุทเจ้าขึ้นมาทันนี้การที่จะให้คนเนี่ยมาสวดเอ๊ะจะให้คนมาสวดพร้อมๆกันหรือมีแต่คือคำพพุเจ้าเนี่ยดีทั้งหมดไงแต่การที่จะให้คนมาสวดแค่หน่อยเดียวเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรเราก็ต้องมานั่งคิดหลักการอีก หลักการก็คือหนึ่งต้องดูว่าผู้เจ้าสวดอะไรปรากฏว่าผู้เจ้าเนี่ยเมื่ออยู่วิเวกเด็กเล่นผู้เดียวพระองค์สาธยายปฏิจจสมุบัติอิทัปยาตาบทนี้ต้องเอามาก่อนเลยนะบทที่ต้องรู้ก่อนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาคืออะไรปุ๊บเอาวันนั้นมาเอาหลักการผู้เจ้ามาบทที่ผู้เจ้าเนี่ยสรนเสริญไม่มากเราควรจะรู้ก่อนเอาบทตรงนี้มานี่นี่คือหลักในการทำหนังสือสวดมนต์อย่างนี้เข้าใจาัหมแค่นั้นเองแล้วเป็นคํำผู้เจ้าทั้งหมดอืม ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ยมถามมีคําถามหนึ่งด้านห0ึการเจริญเมตตานี่คือการแผ่เมตตาหรือเปล่าคะท่านใ ช, ใชเ่เพราะในหนังสือสวดมนต์ทุกๆ <c oughs> เล่นแคบจะต้องมีคําว่าอุทิศส่วนกุศลอันนี้ถ้าเกิดเราไม่อุทิศส่วนกุศลนี่คนที่เราทําให้เขาจะได้บุญไหมคะพาาระอาจารย์จริงๆว่าคําว่าอุทิศส่วนกุศลอะไรมันก็เป็นคําภาษาไทยนะแต่ในคําบาลีเนี่ยมันก็จะใช้อีกอย่างหนึ่ง นั้นโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือเจตนาเราสำคัญที่สุดตั้งเจตนาผู้เจ้าบอกเลยว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะดังนั้นโยมตั้งเจตนาอะไรเนี่ยมันจะได้ผลตามนั้นแต่การตั้งเจตนาของโยมเป็นจิตที่มีกำลังไหมจึงบอกว่าต้องละนิวรณ์หก่อนเนี่ยที่ผู้เจ้าบอกเป็นจิตที่มีกาลังละอกุศล น, นะเพราะอากุศลมันจะทาให้จิตโยมไม่มีกาลังใช่ เมื่อละอกุศลได้แล้วเนี่ยหรืออกุศลสามอย่างการภพบัทเบียดเบียนน่าหนักจิตเริ่มมีกำลังแล้วจะน้อมไปทำอะไรได้ทุกเรื่องอย่างนี้เนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้เนาะอขอบคุณอาจารย์คำถามสุดท้ายอนี่เออ ใหม่ไส่งใหม่มาไอตรงนี้แล้วบางครั้งที่หลายๆท่านที่เขาสอบถามกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยบางทีก็บอกตรงๆนะคะโยมไม่ค่อยเข้าใจใช่ในส่วนใช่ค่ะตามไม่ค่อยทานก็อยากจะให้ท่านพระอาจารย์ชี้แนะนะคะว่าในส่วนอย่างเงี้ย อที่โยมไม่เข้าใจอย่างนี้อยากจะให้ท่านพระอาจารย์ชี้แนะว่าโยมควรจะประพฤติปฏิบัติตนยังไงเพื่อที่จะได้ให้เข้าถึงเหมือนอย่างที่ทุกๆคนนะคะอ่าไม่ยากไม่ยากเนี่ยเอาหนังสือเล่มเล็กๆออกมาไปเนี่ยทํามาให้ละจิ๋วๆอย่างเนี้ยนะอ่าแล้วถ้าผู้ใหม่ๆเนี่ยก็เอาเล่มพวกนี้ไปอ่านก่อนนะเช่นว่าตามรอยธรรมเนี่ยง่ายๆปฐมธรรมนี่นะอแล้วก็อะไรอะมารวิธีที่ง่ายนี่ก็ได้นะ หรือว่าคาราวาชั้นเลิศที่จะแจกวันนี้ก็ง่ายนะอันนี้คารววาชั้นเลิศนะเ<ฆ>นี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวโยมก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็รู้สับแสงของพระศาสด า, า, า, าไปเรื่อยๆ<ฆ>แล้วจะสนุกแล้วยมจะวางหนังสืออื่นหมดเลยเนี่ยจะเกิดอาการเดียวกันว่าโอ้โหคำพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่เลิศมากนะ<ฆ>อ่า ขอบคุณค่ะโยมขออีกคําถามหนึ่งนะคะคือตอนที่เมกินเนียที่โยมนั่งสมาธิแล้วโยมไม่แน่ใจว่าที่ที่เป็นพระอาจารย์หรือเปล่าค่ะที่นั่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับพบภูมินะคะค่ะแล้วก็แต่คือพอดียมไม่ได้มองเพราะว่ายมนั่งสมาธิอยู่นะคะแล้วก็คือโยมจะสอบถามว่ามันมีอาการอยู่หนึ่งเวลาตอนที่โยมได้ฟังที่ท่านพระอาจารย์ ไ, ได้พูดโยมรู้สึกว่าโยมก็ไม่แน่ใจว่าโยฟังรู้เรื่องไหมแต่สิ่งที่มันเกิดกับโยมก็คือว่าน้ําตาของโยมมันไหลขึ้นมาเองโดยที่โยมไม่รู้ตัวแะ่ถามว่าโยมเข้าใจไหมก็มิมันก็ไม่ไม่แน่ใจอะคะ่ะที่สุดนียัดสอบถามพระอาจารย์นะคะว่ามันคือมันเกิดมาสาเหตุอะไระะธรรมดาลักษณะเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารคําตถาคตเนี่ยเป็นคําที่ประกอบด้วยปฏิหาร อาการเดียวกับโยมที่สวีเดนเป็นฝรั่งพึ่งมาพบอาตมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอท่านนารงชัยนะก็สามีบอกว่าบอกภรรยาบอกฟังไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> แต่ได้ยินเสียงรถสถัทธานะขอยกที่ดินให้ขอยกบ้านให้ทําเป็นวัดนะ <c oughs> แล้วก็มอบเงินให้ภรรยาบอก อยูเนี่ยต้องมาพบอาจารย์คือกริชเลยนะแล้วก็บินมาพบอาจมาแล้วก็ขอรายละเอียดว่าจะตั้งวัดที่สวีเดนอยากจะทํำยังไงนั่นอีกคณะหนึ่งนะช่วงสสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในคณะที่สวีเดนมาหลายคณะมากนะก็ะจะเป็นอาการเดียวกันฟังแล้วมันเขาบอกสงบฝรั่งเขาบอกเขาฟังแล้วสงบนะแล้วก็เห็นว่าอมันรู้สึกว่าจิตใจเขาเนี่ยมันดีขึ้นนะก็เลยเริ่มมีศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่บอกว่าแม่ฟังแล้วมันสงบไหม <c oughs> มันรู้สึกจิตใจดีขึ้น <c oughs> นี่คือลักษณะของอนุสาสนีปฏิหารนะเราจะเห็นว่าทำไมคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยฟังธรรมะแล้วบรรลุธรรมได้เร็วได้ไวนะเพราะคำพุทธเจ้าจะเป็นคำที่เป็นระเบียบแห่งถ้อยคำไพเราะสละสลวยจัดระเบียบอย่างดีวัาจะทำให้เราเนี่ยน้อมจิตเข้าไปทีเล็กทีน้อยเรื่อยๆ เนี่ยคือลักษณะของคำพระสสดาอยากให้ศึกษากันมา ก, มากอืมเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็คงสมควรแก่เวลาเนาะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคน <c oughs> ที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของพระตถาคตก็ขอให้เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของตถาคตคิดหวังสิ่งใดก็ให้สาเร็จสมความปรารถนาด้วยการสร้างเหตุปัจจัยคือ การมีศรัทธามีศิลมีการสังสมสุตตน ะ, ะมีจาคะมีปัญญาและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคราตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน